เพราะนั้นถ้าพ่อป่วยแล้วอนัตตาทนนําไงนี่เอาอนัตตาไม่ใช่เหรอก็ต้องรักษาใช่ไหมถ้าถ้าอนัตตาหิววทํำยังไงบริโภคแล้วนะก็เพราะอนัตตาเนี่ยตรงนี้อยากจะชี้แจงอยากจะเอามาพูดคุยให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่ามันมีอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ที่หนึ่งถ้านี่ไปสอนเรื่องมายึดมั่นถือมั่นให้โยมฟัง โยมก็เลยไม่ยึดมั่นถือมั่นกันนะมีผู้ชายคนหนึ่งมาฟังธรรมเนี่ยกับพระเนี่ยพระก็ะสอเนเรื่องไปเยับไปยึดมั่นอย่าไปถือมั่นอะไรมากไหมโยมก็ถือแข่งข้าจับไม่ยึดมั่นจะไม่ถือมั่นอะไรแล้วคันเนี่ตอนหลังใครป่วยก็ไม่ดูเลยแม่บ้านป่วยก็ไม่ต้องไปรักษาอะไรปล่อยวางอย่าไปยึดอย่าไปถือมันนะดีไหมนะ่ะเจออน้าตาแบบนี้เจอปล่อยวางแบบนี้เข้าเสียหายมากฉั้นอนัตตาบางอย่างก็เหมือนกันฉั้นอนัตตาเนี่ย กับเจตนาเนี่ยต่างกันนะต่างหรือไม่ต่างอนัตตนี่กว้างเจตานานี่แคบพราะเจตนาก็นับเรื่องในอนัตตาอนัตตาเนี่ยเป็นธรรมที่คลุมจักรวาลเลยเพราะไม่มีอะไรเป็นอัตตาทีนี้ไออัตตาในที่นี้เนี่ยมันเป็นอัตตาของเดรัจฐีเดรัจฐีคิดขึ้นเช่นเดรัจฐีเขาถือว่าอย่างงี้นะอย่างถ้าใครอ่านมิลินทปัญหามาเนี่ยถ้าอัตตาของเขาเนี่ยหมายถึงว่ามันอยาก อยากดูทางตามันก็วิ่งออกมาดูทางตามันอยากได้ยินมันก็วิ่งไปที่หูเพื่อจะฟังเสียงมันอยากรู้กลิ่นมันก็วิ่งไปที่จมูกเพื่อที่จะรู้กลิ่นเขาบอกว่าอุปมาเหมือนอย่างว่าบ้านเนี่ยนะตึกชั้นบนเนี่ยมีอยู่หน้าต่างหกช่องมันอยากเปิดหน้าต่างช่องไหนมันก็วิ่งไปเปิดหน้าต่างช่องนั้นอ่านะอันนี้แหละจึงจะเรียกว่าเป็นอัตตาของพวกเดรัจฉีขึ้นอัตามันชีวะของเขาอ่ะนะทีนี้ พระพเจ้าไมลินก็ถามพระนาคเกษว่าไอ้สิ่งแบบนั้นมีจริงไหมล่ะถ้ามีจริงนะเดี๋ยวเหะไอ้ตัวชีวะอันนี้มันไปวิ่งไปที่หูมันจะได้ไปปะดูรูปที่หูทําได้ไหมเออถ้ามีอัตราตัวนั้นจริงอยู่มันไปที่หูมันต้องเห็นสิเพราะมันตัวเดียวกันใช่ไหมมันอยู่ที่ลิ้นเนี่ยมันก็ต้องดูภาพอะไรได้มันวิ่งไปที่ท้องมันส่องลำไส้ได้หมดเลยเออถ้ามันเก่งขนาดนั้นถ้าไอ้ไอ้ตัวชีวะอันนั้นมันเป็นอัตราจริงเหรอนะ่ ถ้าเป็นตัวเดียวกันที่ไปเห็นก็อันนั้นแหละตัว ท, ที่ได้ยินก็อันนั้นแหละตัวที่ทราบ ก, ก็อันนั้นตัวที่รู้กว่านั้นตัวที่นึกคิดก็คือสิ่งเดียวกันไปหมดถ้าสิ่งนั้นคือสิ่งเดียวกันไปหมดมันจะต้องทํากิจแทนกันได้ทั้งหมดใช่ไหมแล้วก็ต้องอยู่ในอํานาจควบคุมได้เช่นมันนึกอยากว่าเอามือไปชิมแกงดูสิมันก็ต้องรู้รสแกงว่าเออเนี่ยแหมเค็มไปหน่อยนะ มันต้องชิมได้แต่นี้มันชิมไม่ได้มันนี่แหละมันจึงเรียกว่ามันเป็นไปตามกระบวนของปัจจัยของมันเพราะนี่แหละเรียกว่ามันไม่ได้มีอัตตาแบบนั้นที่มีความสามารถจริงๆถ้าตาของเดรัทธีที่คิดขึ้นนะนะมันจะถ้ามันเป็นจริงแบบนั้นมันต้องมันต้องมีอำนาจจริงสิแต่นี่มันไม่มีอำนาจตาบอดไปแล้วมันน่าจะเอาใช้อันอื่นไปดูแทนก็ได้ใช่ไหม แต่นี้มันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้คืออนัตตามันอนัตตาคือปฏิเสธอัตตาของเดรธีเนี่ยนะเดรธีแต่แต่ถามว่าสัพเพธรร ม, มาอนัตตาเนี่ยนะกับรพระพุทธพจน์ที่ว่าอัตตะสัมมาปนิธิต่างกันไหมตั้งตนไวโดยชอบเอาอันนั้นก็ตนไม่ใช่หรือแล้วว่างๆพระองค์บอกว่านิพพานมัตโนบอกนิพพานของตนอีกมีไหมพุทธพจน์ว่านิพพานมัตตโนนิพพานของตนนะ อ้าวไม่ใช่ตนหรืออ่านะแล้วก็เดี๋ยวมาสนทนาเรื่องนี้สักนิดก็แทร ค, คาว่าเนี่ย อ, อ, เ, อเกี่ยวกับตนตนตั ว, ต, วตัวหน่อยนะตัวอย่างที่กล่าวมันก่อนถ้าคนเขาเรียกว่าเป็นก็เรียกเป็นคนนั่นแหละมากี่คนเชียงใหม่จะไปกันกี่คนนะก็นับเป็นคนคนใช่ไหมแต่นับเป็นตัวเนะี่ยเอาตัวก็มาด้วยหรือเนี่ยฝั่งถ้าถ้าคุ้นเคยกันเนี่ยจึงจะพูดอย่างนี้ได้ถ้าเป็นช้างาก็จะเป็นไงเป็น เชือบเชือบเรือก็เรียกเป็นลำเนี่ยนะอะไรมั่งที่เรียกตุ๊กตาก็เรียกเป็นตัวทีนี้ถ้าไม่ยึดถือตัวตนในเรียกเป็นอะไรกันนี้เอย้อนมาอีกครั้งหนึ่งนะว่าสัพเพธรรมานาตาอ่นะสัพเพธรรมาตัวนี้หมายถึงธรรมะในภูมิสี่เลยภูมิสี่มีอะไรบ้างมีอ่นะจิต น, นตัวตัวที่เป็นไปในภูมิสี่จริงๆเนี่ยหมายถึงจิตกับเจตสิกนะถึงได้สี่ภูมิแต่ถ้ารูปล่ะรูปมีกี่ภูมิภูมิเดียวคือกามาภูมิถ้าจิตเจตสิกแบ่งเป็นกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิแล้วก็โลกุตรภูมิกามากามาวจรจิตมีทั้งหมดห้าสิบสี่เจตสิกที่ประกอบเท่าไหร่ ห้าสิบสองที่เป็นกามนะกามนี่อมความไปถึงรูปด้วยรูปทั้งหมดเป็นกามนะส่วนรูปารูปะตัวนี้หมายถึงรูปรรประชานรูปประชานทั้งที่เป็นกุศลวิบากและกิริยาสิบห้าเจตสิกที่ประกอบสามสิบเท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่สามสิบห้าะ วีรตีไม่มีในมหคัตะทั่วๆไปอารูปมีทั้งหมดเท่าไหร่อารูปอารูปมีส2สองคือกุศลวิบากกิริยาเจตสิกที่ประกอบหักอันนี้นะวิธีคิดเนี่ยคือหักวีรตีออกสามหักอับปมัญญาออกสองหักอะไรอีกวิตกเอาวิตกออกอีกอะไรอีกเอาวิตกวิจาร์ออกไปอีกเพราะฉะนั้นรูเหลือ สามสิบโลกุตระนั้นมีทั้งกุศลวิบากก็มีแปดเจตสิกที่ประกอบสามถึงหรืออัมมัญญาไม่ได้อััมมัญญานี้มีเช่นกรุณามิตร ม, มีทุกขิตรรรสัตเป็นอา ร, รมณ์มุทิตามีสุขิตสัตอารมณ์ส่วนอะมีนิพพานเป็นอารมณ์สามสิบหกบางครั้งสามสิบห้าขนาดไหนสามสิบห้า ขณะทุติยชาญขึ้นไปมีแค่สามสิบห้าเนี่ย น, นะถ้าสูงขึ้นไปอีกนะหักออกไปอีกลถอะไรลดวิจารกับลดปีติออกไปถ้าระดับสูงขึ้นไปนะก็ค่อขขยลดไปตามไปทีนี้คำว่าอนนาตาในที่นี้เนี่ยนะนสี่ทั้งจิตเจตสิกรูปในเนี่ยมีใครอยู่ในนี้ไหมมีของใครไหมมีอัตตาที่ไหนไปเศกไปสันไปปั้นไปแต่งมันขึ้นไหมไม่มี แต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงไหมจริงแต่ก็มาจริงมาจําแนก น, นะมาจําแนกเป็นกุบบั้งอกุศนบ้างอัพยากตะบ้างอัพยากตะมาจําแนกเป็นอะไรเป็นจิตจิตก็ยังมาแบ่งเป็นวิบากจิตแบ่งเป็นกิริยาจิตเนี่ยนะถ้าเป็นรูปแหละรูปก็มาแบ่งเป็นกรรมชรูปจิตชรูปกุตูชรูปอาหารชรูป แล้วก็มาแบ่งว่าทำทั้งหมายเหล่าเนี้เกิดจากปัจจัยแต่และอย่างเกิดจากปัจจัยอะไรอย่างไรเป็นต้นเพราะฉะนั้นในนี้ไม่มีใครอยู่เลยแต่สิ่งเหล่านี้มีจริงไหมจริงจริงทีนี้ไอ้นี่เนื่องจากว่าไม่มีอัตราแบบเดรธีคิดขึ้นที่เรียกว่ามันอยาก น, นะเขาเข้าที่ว่ามันเป็นชีวะชนิดหนึ่งมันอยากเห็นมันก็วิ่งไปที่ตามันอยากได้ยินมันก็วิ่งไปที่หูเขาถือว่าสิ่งเดียวกันตลอด ที่มันไปรับอารมณ์ในหกทวารนนะ่ะคือตัวเดียวกันอันเดียวกันอันนั้นคืออัตตาของเขาอัตตาของเดรัถีขึ้นเพราะเมื่อเข้าใจแบบนั้นเนี่ยอันนั้นแหละไม่มีรอกอนะอันนี้ปฏิเสธอัตตาแบบนั้นนะเรียกว่าณนะอัตตาณนะตาไม่ใช่อัตตาทีนี้มาดูอีกกลุ่มคำคําที่เรียกว่าอัตตาสัมมาปนิธินิธินี่นแปลว่าการตั้งใช่ไหมอัตตา แปลว่าอัตตาแปลว่าตัวนั่นแหละแปลว่าตนสัมมาแปลว่าถูกต้องการตั้งตนไว้โดยชอบโดยถูกต้องอันนี้หนึ่งนะสองอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะสามอะไร ก, ะก็บอกว่าดุกอัตตาทีปะนยนะอัตตนะสาระ มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งสี่ไนิพพานามัตตโน น, นะนิพพานของตนตกลงขัดการหน้าตาไหมขัดไหมท็ไมพระเจ้าเทศขัดกันเองขัดยังไงคุณนุชเพราะคำว่าตนในที่นี้เนี่ยนะก็เมื่อปฏิเสธตนแบบเดียรถีแล้ว น, นะนั้นถีคือชีวะชนิดหนึ่ง อนัชชีวะปริสะปุคะละอย่างใดยอย่างหนึ่งที่ไปผิดในนี้ว่าเป็นให้จิตเจตสิกมีตนที่แท้จริงอยู่ในจิตและเจตสิกไหมไม่มีเ ม, มื่อไม่มีแบบนั้นแนละ้ว<ๆ>ก็มาดูคําว่าตนในที่นี้เนี่ยนะตนที่กาลังพูดถึงที่เรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิเช่นกุศลทานที่ยังไม่เคยให้ก็ตั้งไว้เพื่อจะให้ศีลที่ยังไม่เคยรักษาก็ตั้งเพื่อจะรักษา จเจริญภาวนาที่ยังไม่เคยทําก็ตั้งไว้เพื่อจะทําหรือความตั้งปราถนาเพื่อบรรลุมรคผลอันนี้เป็นกุศลและจิตที่ตั้งแล้วอะโน้มอุปนิสัยเป็นเรียกว่าตั้งอุปนิสัยอะนิสยปัจจัยให้คือพวกสมาทานเป็นต้นเนี่ยนะคําว่าสมาทานเนี่ยเป็นการตั้งจิตเพื่อให้กุศลทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นเรียกว่าโอกตามปัจใจอ่ะนะคือรู้รอบรู้ในเรื่องของ ปัจจัยว่าปัจจัยเป็นยังไงเหตุเป็นยังไงผลเป็นยังไงก็เป็นการเบนประเด็นไปตามนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่อัตตาแบบเดรัธีคิดขึ้นอันนี้เป็นอัตตาสัมมาปณิทิเพราะฉะนั้นตั้งเพื่อจะให้ทานก็ดีแล้วตั้งเพื่อจะรักษาศีลตั้งเพื่อที่จะเจริญภาวนาตั้งเพื่อจะเจริญสติได้ไหมตั้งเพื่อจะเจริญกรรมฐานได้ไหมก็ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ขัด ก, กับอนัตตาอะไรอ น, นะ ทีนี้อัตหิอัตโนนาโถเนี่ยมันหมายคือว่าตนแลเป็นที่พึ่งของตนหมายถึงว่าใครแทนทําแทนกันได้ไหมแม้กระทั่งเรื่องหยาบหยาบนะเออดีแนละ้วทานข้าวเผื่อด้วยนะทําได้ไหมแต่ถ้าธรรมดาหยาบหยาบเลยนะเออนอนเผื่อด้วยนะทำไม่ได้พันพวกนี้ทําแทนกันไม่ได้มันเรื่องเฉพาะตัวตัวในที่นี้แปลว่าไม่ใช่คนอื่นอานะการปฏิบัติธรรมก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวใช่ไหม ถ้าทำแทนกันได้พระพุทธเจ้าทำเผื่อเราเบ็ดเร็จหมดแล้วเราไม่ต้องนะเพนื่องอันนี้แหละเรียกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนเราต้องช่วยตัวเองนะเดอย่างที่พระองค์บอกว่าเราช่วยคนไม่มีศรัทธาไม่ได้หรอกเราช่วยคนไม่มีความเพียรเป็นต้นไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นก็ของใครก็ของใครละ่ยนะอันนี้เขาเรียกว่ามีโถนแลเป็นที่พึ่งของตนส่วนมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่ง หมายถึงอะไรหมายถึงว่าสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งแก่ตัวเราจริงๆอนะในอาการสามสี่สองเนี่ยเอาอะไรพึ่งได้บ้างอา๋อไม่ได้รูปพึ่งเลยไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันพึ่งไม่ได้เนี่ยนะเอาติดไหมเอาฟันชาตินี้ไปชาติหน้าสักอันหนึ่งสักชิ้นหนึ่งไม่น่าสนใจเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันพึ่งไม่ได้แล้วอะไรมันพึ่งได้จิตพึ่งจิตใช่ไหมจิตก็มีตั้งสีชาติอะกุศลอกุศลวิบากกิริยา เพราะฉะนั้นคําว่ามีตนเป็นเกาะในที่นี้หมายถึงกุศลลจิตมหากุศลแปดมหักคตะกุศลเก้าโลกุตระกุศลสี่พวกนี้แหละถือว่าเป็นเป็นที่พึ่งของตนจริงๆใช่ไหมถ้าเราให้ทานไว้เท่าไหร่สิ่งนั้นจะเป็นที่พึ่งของเราเท่านั้นแหละรักษาศีลไว้เท่าไหร่เจริญสมถาวิวปัสนาบรรลุมรรคผลเท่าไหร่อันนี้แหละจะเป็นที่พึ่งของเราจริงๆเพราะฉะนั้นพระองค์ให้เอาตรงนั้นนะเป็นที่พึ่งอนะ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยอย่างไรพิสูจชื่อว่ามีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งพิสูจในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตทั้นการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นตัวสติที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นที่พึ่งต่อไปข้างหน้าอยะว่าเนีแม้กระทั่งให้ทานกุศลทานก็จะเป็นที่พึ่งข้างหน้าต่อไปใช่ไหม กุศรศีลก็จกเกะจเป็นที่พึ่งการอบรมสมถาวิปัสนาก็จะเป็นที่พึ่งต่อไปในภายภาคหน้าส่วนนิพพานมัตตโนเนี่ยเรียกว่านิพพานของตนเนี่ยถามว่าพระโมคคลานะเนี่ยจะแบ่งให้เราดูนิพพานนะมาคลี่ให้เราดูได้ไหมไม่ได้ก็ถือว่าเป็นของท่านะ่ะที่เรียกว่าปุตุชนรู้ไม่ได้โดยที่สุดแม้ความฝันเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นของพระอริยะโดยส่วนเดียวเป็นส่วนตัวของท่านะ่ะ ท่านจะมาแบ่งให้เราดูไม่ได้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่ท่านทําให้แจ้งของท่านเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่ของคนอื่นเป็นของเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นคําเหล่านี้ไม่มีการขัดกันไม่มีการขัดกันนะถึงว่าอนัตตาหรืออัตตาเนี่ยนะสรุปว่าธรรมะนี่เป็นอัตตาหรืออนัตตากันแนนะ่แต่เขาจะมีคําว่าอัตตากับอนิรัตตาเนี่ย น, ะนิรัตตาแปลว่าไม่เอ่อพวกนี้เป็นอุเฉททิฏฐินะ น, นะพวกนิรัตาเนี่ยหมายถึงพวกอุเฉททิตินิรามันไม่มีอัตตาในทีน่นี้ซึ่งหมายถึงอุเฉททิติเรียกว่ า, าจะมาคู่กับอะไรอัตตากับนิรตาเนี่ยนะอัตตาบางอย่างบางความหมายหมายถึงสัสตทตทิธิเช่นตายแล้วตนยังมีอยู่พวกนี้เป็นสัสตทธิธิถ้าตายแล้วตนหายไปเลยศูนย์ไปเลยเป็นอุเฉททิติเขาก็จะมีค่อยคํากลุ่มเหล่านี้อีก เพราะฉะนั้นก็การศึกษาพระธรรมเนี่ยปัญหาอย่างเงี้ยที่ถ้าเราศึกษาไม่ดีก็นึกว่าพระธรรมขัด ก, กันเองเนี่ยนะ